ขออภัยด้วยเมื่อกี้มองเลข6เป็นเลข3 2สองตัวตามเห็นกันคนละทีซ้ายทีกว่าทีซ้อนกันนะมันเดาเป็นเลข3ไม่ได้ใช้สมองตาดูพูดตามภาษาที่มันตีความตีความผิดขออภัยด้วยจริงๆแล้วตั้งใจจะให้ยมเทศว น, นั้นนะ ความรู้สึกตั้งใจโยมเทศโยมที่พูดทำไม่ดีกว่าพระก็ได้โยมก็ปฏิบัติเหมือนกันนะพระก็ปฏิบัติเหมือนกั น, นเพียงแค่พระกวนหัวกวนคิ้วหนังของพระเหลืองส่วนโยมโยมไม่ได้แต่งชุดพระแต่งชุดนักเรียนในเครื่องแบบไม่ได้แต่งนักเรียนในเครื่องแบบแต่งนักเรียนนอกเครื่องแบบแต่เรียนรู้ชาเดียวกัน มาอยู่วัด น, น, นานๆก็ต้องพูดเรื่องธรรมะได้ก็เลยว่าโดยเพราะอ า, อาจารย์สมทรงนะอาจารย์สมทรงเนี่ยจบอะไรมาไม่รู้แต่ว่าไปสอนฟิสิกส์เรียนเทคนิกระผ่านสนามมาเยอะสนามใหญ่ๆเราอยู่วัดป่าสุกโตตั้งใจวิบัติอยู่ เนออกกำลังกายเดินแขวงแ้นเดินไปเดินมาแล้วก็เั้งกันก็คือเมื่อเช้าบอกแล้วว่ารักษากายใจได้ดีน่าสนใจดีเดียวให้มาพูดธรรมะแบ่งปันให้พระฟังด้วยให้โยมลูกหลานเรียหลวนั่นได้ฟังกันก็มาขอพูดให้เป็นวิทยกรวันนี้นิดนึ่งอที่จะแสดงออกมาได้ทางวาจาในฐานะเคยเป็นครูอาจารย์ด้วยมายจายสนใจนะะั่ะ เชิญเอาที่นั่งออกมาเลยตรงนั้นกันนะเดี๋ยวเรื่องการฝึกสติปัฏฐานเห็นอยู่มานานนะปฏิบัติแล้วมัต้องมีผลทุกคนนั่นแหละและจุดหนึ่งที่สาคัญก็คือพอมันไปแตะท่านั้นนะมันมันจะมีอาการต่างๆแสดงออกมาทุกคนต้องเป็น อลองดูดิอาจารย์สมซงมีโยมในเนี้ยมีเมื่อเช้าที่บอกเป็นผู้ที่เรียนจบเนี่ยผู้ดมศึกษามาแล้วเป็นเกียรติยมเนี่ยแคนอยู่ในนในฐานะเป็นครูบาอาจารย์แล้วว่าทายช่วงทายของชีวิตหลังกเกษียณมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมเหมือนอาจารย์สมใจเหมือนกันสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ เ, นเก็เกี่ยว เราเราได้ใช้แบ่งปันกันถือว่าเป็นบุญเป็กนกุศลกันให้ธรรมะเป็นบุญก็เจอผู้ธรรมะ ต, ตามสมควรกัเวลาการปฏิบัติของเราอยู่ที่จิตนะคะถ้าจิตของเราอยู่กับตัวไม่ออกนอกตัวคือเคยอ่านธรรมะนะคะเขาบอกว่าถ้าจิตของเราออกนอกเนี่ย จะเป็นภัยอย่างร้ายแรงมากเลยก็พบตัวเองก็พบนะคะว่าจิตเราออกนอกเมื่อไหร่เนี่ยเราจะคิดอะไรที่เป็นอกศุศลนะคะเป็นเรื่องที่จิตของเราจะหมนหมองมากเลยถ้าเราคิดอะไรที่มันไม่ใช่สิ่งดีนะคะมันแบบมันจะรู้สึกเลยว่าตัวเราเนี่ยแบบธรรมะยังไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ดีต้องจิตต้องอยู่กับตัวต้อง ไม่แบบรู้สึกตัวตลอดต้องรู้สึกตัวตลอดถ้าเมื่อไหร่เราจิตเราเนี่ยออกไปคิดอย่างอื่นไปด้านอย่างอื่นมันจะบางทีเนี่ยออกไปร้ายแรงมากนะคะบางทีแบบว่าไปคิดอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ เ, เราคิดแล้วเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยตกต่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าเรารู้สึกตัวตลอดคิดอะไรทําอะไรในสิ่งที่ เป็นสิ่งดีตลอดจิตเราจะผ่องใสเมื่อจิตเราผ่องใสการปฏิบัติธรรมของเราจะก้าวหน้าแต่ถ้าเมื่อไหร่นี่จิตเราออกไปข้างนอกเนะี่ยมันจะรู้สึกเลยค่ะว่าเรานี่กกำลังตกต่าเรากำลังสู่อบายเพราะนั้นถ้าหากว่าทางที่ดีก็คือรู้สึกตัวตลอดเวลานะคะก็ไม่ได้เต็มตัวขอแค่นี้นะคะ อ้าวแค่นี้ก็แค่นี้สิน้อจำใจต่อกันแล้วกันสมทรงแล้วก็สมใจต่อเนาะก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะพวกเราเคยรู้เรื่องนกอินทรีไหมเคยได้ยินเรื่องนกอินทรีไหม นกอินซีเนี่ยมันมีอายุประมาณเจสิบปี <c oughs> โดยโดยเฉลีย่ยเขาบอกก่อนที่จะอายุเจสิปีเนี่ยเพราะมันมีอายุสักสี่สิบปีเนี่ยเรียกว่าแก่เต็มทีแล้วปากที่เคยจิกกินหรือว่าฉีกเนื้อต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มงองงุ้มจะ ใช้การไม่ได้นะก็ยิ่แกนะ่แล้วก็ที่ขนหนะ้าอกหรือที่ปีกมันเนี่ยจะหนักก็คือบินก็จะไม่ถนัดนะเน่ยที่เท้ามันที่กงเล็บเนี่ยเล็บมันก็จะงองุ้มเรียกว่าทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะนั้นมันมีทางเลือกอยู่สองทางคือถ้ามันไม่ทำอะไรเลยนะ มันก็จะจับสัตว์กินไม่ได้มันก็จะต้องตายไปในที่สุดนี้คือเทางเลือกที่หนึ่งทางเลือกที่สองก็คือมันจะต้องคล้ายๆเหมือนลอกคาบจะต้องบินขึ้นไปที่เขาสูงที่สุดไปเจอหน้าผาที่เป็นหินที่แข็งที่สุดนะแล้วใช้เวลาประมาณร5 0ห้าวันอันนี้เรื่องข่เล่านะเพื่ออะไรเพื่อที่จะ ไปทำให้ปากของมันเนี่ยจะงอยของมันเนี่ยอันเก่าเนี่ยหลุดออกมันเล็บเนี่ยมันหลุดออกไปเลยนะเพื่อที่จะได้มีปากอันใหม่ขึ้นมานะเรียกว่ามันต้องใช้เวลาแล้วในช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะหากินอะไรไม่ได้เลยก็ต้องเรียกว่าอดอยากนะหรือว่าอดอาหารในประมาณร้อยห้าสิบวันในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อปากของมันเนี่ย หลุดไปแล้วนะมันก็จะเอาปากเนี่ยไปจิกขนที่มันหนักมันหนาเนี่ยให้มันหลุดไปซึ่งการที่ให้ขนมันหลุดนี่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะหลุดง่ายๆนะเรียกว่ามันต้องเจ็บปวดนะแต่มื่ต้องทนเอามันต้องทนเอาส่วนในกงเล็บเนี่ยมันก็จะเอากลงเล็บเนี่ยไปเคาะกับหินที่แข็งนะเพื่อให้มันหลุดออกเหมันเล็บเนี่ย หรืจะงอยปากของมันให้มันหลุดออกซึ่งมันก็จะต้องเจ็บปวดมากแล้วก็เลือดไหลนะเรียกว่าเป็นความเจ็บปวดที่จะต้องแลกเอากับการที่จะมีชีวิตอยู่นะใน150วันถ้ามันทําสําเร็จมันก็จะได้ชีวิตใหม่นะมันสามารถที่จะโผบินขึ้นใหม่นะเหมือนกับได้ชีวิตใหม่นะเป็นนกตัวใหม่ขึ้นมาเหมือนกับเป็นการลอกคราบตัวเองเนี่ นะถ้ามันทำสำเร็จมันก็จะคล้ายๆพักฟื้นอยู่สักไม่กี่วันนะที่พอจะแข็งแรงได้มันก็จะเฮินนะบินขึ้นนะเพื่อที่ไปหาอาหารกินนั่นหมายถึงว่าชีวิตใหม่ที่มันจะอยู่ต่ออีก30ปีมันก็จะมีชีวิตอยู่ประมาณ70ปีอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่อัตมาได้ไปอ่านมา จากในเฟซบุ๊กที่เขาพูดถึงชีวิตนกอินทรีนะจริงเท็จยังไงไม่รู้แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเล่ามาทีนี้มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนถึงสัตว์บางชนิดเนี่ยนะที่มันจะต้องดินลนในการที่จะมีชีวิตอยู่นะซึ่งจะต้องทิ้งซากเก่านะหรือว่าร่างกายที่ผุพังออกไปนะจริงจริงคนเราเนี่ย ถ้าเราไม่เจ็บป่วยสักก่อนนะมันก็จะมีการเซลในผิวหนังเนี่ยมันก็จะตายไปนะอยู่ตลอดเวลาดังนะ น, นั้นเราก็จะโตนะจากเด็กเป็นวัยรุ่นนะเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่นะแล้วก็ตายไปในที่สุดทีนี้ถ้าเราดูแลสุขภาพไม่ดีเราก็จะตายเร็วขึ้นนะทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันมา มันมาเกี่ยวอะไรนากับเรื่องของการที่เรามาเจริญสตินะจะเห็นว่าชีวิตที่ผ่านมาของคนที่ไม่ได้ฝึกสติเนี่ยมันก็จะวุ่นวนนะอยู่กับเรื่องเก่าๆความคิดเก่าๆความเคยชินเก่าๆนาที่จะเคยอ่เป็นไปตามอารมณ์เป็นไปตามความคิดนะคนที่คิดโกรธ นะถ้ายังอยู่แบบเดิมมีนิสัยแบบเดิมไม่ได้แก้ไขนะมันก็จะกลายเป็นคนขี้โกรธง่ายนะยิ่งแก่ตัวไปก็จะโกรธได้ไวนะคนขี้งกนะคนขี้โลภเนี่ยนะมันก็โลภมากขึ้นนะขนาดได้เงินได้ทองมามากมายก็ยังไม่พอใจนะอันนี้เพราะว่าไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ฝึกฝนนะเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้พัฒนา นะไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะจิตใจของตัวเองนะพูดง่ายเหมือนกับไม่ได้ลอกคราบนะคราบที่เป็นคราบใครที่ไม่เคยดีนะคือจิตใจที่หมกมุ่นคุ้นคิดนะอยู่กับเรื่องราวต่างๆหรือเป็นไปตามความอยากความเคยชินเก่าๆนะเรียกว่าเป็นชีวิตเก่าๆนะชีวิตยังไม่ใหม่แต่เมื่อเราได้มาฝึกเจริญสติเนี่ยเราเจนเลยว่าโอ้โห นะถ้าเราถ้าเราสังเกตให้ดีนะถ้าเรามีความรู้สึกตัวดีๆเราเจนเลยว่าในจิตในใจของเราเนี่ยมันมีสิ่งที่หมักหมมเยอะแยะเลยซึ่งมันแสดงออกมาในรูปของความคิดนะความคิดต่างๆคิดเรื่องราวที่เป็นในอดีตก็ดีนะอารมณ์ต่างๆที่มันเคยนะที่จะทำตามความเคยชินนะอย่างเช่นบางคน ขี้ง่วงนะก็จะง่วงอยู่นั่นแหละนะแก้ไขไม่ได้สักทีหนึ่งนะแล้วก็ยอมแพ้มันตลอดเวลานะยิ่งอากาศหนาวๆเย็นๆแบบนี้แล้วโอ้โหนะนอนดีกว่าสบายนะเรียกว่าบรมสุขนะบรบทรทมบรรทมหรือการนอนเป็นสุขที่สุดในโลกอะไรเงี้ยนะคนที่ขี้เกียจก็จะเป็นอย่างนั้น เพระนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เมื่อเราได้มาเจริญสติเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่มันมันห ม, ม, ม, มักหมมมันไม่ดีนะอยู่ในจิตในแจขงเราเยอะแยะเลยคนที่โกรธนะมันมจะแสดงอารมณ์ขึ้นมาให้เราเห็นนะอารมณ์โกรธที่เราเห็นมันมันอาจจะไม่แสดงความโกรธขึ้นมาแร ง, แ, รงแต่มันจะเป็นความงุดหิดเจอยุงก็ไม่ชอบนะเจออากาศหนาวก็ไม่ชอบ นะได้ยินเสียงคนมาพูดกันหรือมีเสียงเพลงมาบรบกวนก็ไม่ชอบนะ อ, นนอันนี้คือความหงุดหงิดขึ้นมานะเป็นอารมณ์ที่เป็นเป็นอารมณ์เบื้องต้นนะของความกโกรธนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาเจริญสติเราจะเห็นนะจะเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะเห็นสิ่งที่มันหมักหมมอยู่ในจิตในใจนะที่มันมีอยู่มันนอนเนื่องอยู่นะ อย่างการที่เราได้มีโอกาสนะมาฝึกเจริญสติอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะอย่างกลุ่มประจำเดือนกด็ดีหรือว่าคนที่อยู่วัดนะที่ได้มีเวลาฝึกฝนตนเองนะอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีสิ่งหมักหม ม, มนะอยู่มากมายในจิตในใจของเรานะเมื่อเราเห็นเนี่ยนะแล้วเราก็ไม่ไปทำตามมันเช่นมันง่วงเนี่ยเราก็ไม่ทาตามความง่วง มันงุดงิดเราก็ไม่ทําไปตามความงุดงิดเรียกว่าเรากลับมารู้สึกตัวเรียกว่าเป็นการกลับคืนสู่ความเป็นปกติตรงนี้มันก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันได้ชำระล้างนถูกชำระล้างออกไปเหมือนกับการชำระล้างสิ่งที่มันหมักหมมสิ่งที่เป็นของเก่าของความเคยชินให้มันออกไปเหมือนนกอินทรีที่มันแก้ไขตัวมันเอง อันนั้นเป็นเรื่องของทางวัตถุนะเป็นเรื่องของทางร่างกายนะแต่ว่าในทางจิตใจเนี่ยนะเราก็มีการเรียกว่าชำระล้างนะเกิดเป็นจิตใจใหม่เป็นชีวิตใหม่ขึ้นมาได้นะด้วยการเจริญสตินะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะการที่เราได้เอ่อมาฝึกกันอย่างต่อเนื่องนะคงจะจากันได้นะวันแรกเนี่ยโอ้โหมันทั้งง่วงทั้งเบือ่อ ทั้งปวดเมื่อยทั้งฟุ้งซ่านสารพัดแหละนะสำหรับคนที่มาเริ่มปฏิบัติใหม่ๆหรือคนเก่าก็ตามนะสิ่งเหล่านี้นะใหม่ๆแล้วไม่คุ้นชินมันนะเราก็จะรู้สึกท้าแท้ท้าถอยนะแต่ถ้าเรามีกัลยาณมิตรมีกลุ่มมีเพื่อนนะที่ปฏิบัติ ด, ด้วยกันนะมีคนคอยแนะนำชี้ทางนะแล้วเราก็ มีกำลังใจใ น, ในการที่เราจะก้าวเดินต่อไปนะมีความอดทนนะแม้ว่ามันจะเหนื่อยใจหนักใจนะบางคนหนักใจนิยกมือไม่ขึ้นเลยนะมือเนี่ยไม่ได้หนักอะไรเลยแต่ใจมันหนักก็นะยกไม่ไหวนะหรือบางคนมีความง่วงนะนิดๆหน่อยๆก็อแอลละหนีนะกลับไปนอนดีกว่านะอากาศเย็นๆอย่างนี้ ม, นามาทรมานตัวเองทำไมนะ ก็โดนความคิดมันลากไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยต้องอาศัยการต้องอาศัยความอมดทนนะแล้วก็ต้องฝืนนะความเคยชินเก่ า, เ, กานะเหมือนกับนกอินทรีที่มันยอมที่จะเจ็บปวดนะเพื่อที่ได้ชีวิตใหมนะ่ยอมที่จะทนทุกทรมานะในช่วงหนึ่งของชีวิตมันนะใน150วันแต่อย่างพวกเรามาเนี่ย ภายใน7วันเนี่ยนะเราก็คงจะได้เห็นแล้วความยากลําบากกนะารที่จะต้องออกกําลังโดยเฉพาะกาลังทางใจเนี่ยนะมันก็ทําให้เราสามารถที่จะหลุดพ้นนะหลุดพ้นในที่นี้คือออกจากความคิดได้บ้างเล็กๆน้อยๆไม่ถึงกับหลุดพ้นหมดทั้งหมดนะหรือว่าแต่ออกจากอารมณนะ์อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่มันเคยชินนะที่มันแสดงตัวออกมาเนี่ยเล็กๆน้อยๆ นะตรงนี้มันก็จะทําให้เกิดความเคยชินในการที่จะลอกคราบนะลอกคราบาาสิ่งที่หมักหมมอยู่ในใจหรือชําระล้างออกไปนาะจะเป็นความโลภความกโกรธความหลงก็ดีอย่างความง่วงเนี่ยว่าไปมันก็เป็นความหลงชนิดหนึ่งเหมือนกันนะมันจะหลงไปในความซึมเสือ่องซึมโงกง่วงนะตรงเนี้ หรือแม้แต่ความฟุ้งซ่านนะถ้าเราไม่รู้ทันก็เป็นความหลงชนิดหนึ่งเหมือนกันนะตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่มาฝึกเจริญสติหรือฝึกกรรมฐานนะไม่ว่าวิธีไหนก็ตามเนะี่ยมันจะต้องเจออารมณ์พวกนี้และอารมณ์พวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยได้เข้มแข็งขึ้นนะเหมือนอย่างเราออกกําลังกายเนี่ยวิ่งเนี่ยวันแรกเนี่ยมันจะเหนื่อยมันจะปวดเมื่อยนะมันจะเหนื่อยล้า แต่พอวันที่สองวันที่3ามเนี่ยมันก็จะอยู่ตัวเพราะฉะนั้นการที่เรามาเจริญสติในหลักสูตร7วันเนี่ยถ้าจํากันได้เนี่ยวันแรกเนี่ยโอ้โหมันเหนื่อยที่สุดมันง่วงที่สุดเลยแต่พอวันที่สองวันที่3มเราเริ่มปรับเนื่อปรับตัวในการกินการอยู่นะในการปฏิบัตินะรูปแบบปฏิบัตินะวันที่4เนี่ยเราเริ่มที่จะเออพอที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเราเองนะวันที่ห้าวันที่6 นะวันนี้วันที่5เนี่ยวันที่5เต็มๆมานะอานะจารย์ธงศิลป์ก็ปล่อยให้เราปฏิบัติเลยไม่เข้าไปยุ่งเลยเหนะหลายคนก็ตั้งใจปฏิบัตินะอยู่นิ่งๆนะสามารถที่จะปรับเนื้อปรับตัวนะได้สัมผัสกับอารมณ์ที่ละเอียดขึ้นความคิดที่ละเอียดขึ้นะตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องผ่านความยากลำบากมาก่อนนะไม่มีหลักที่ปฏิบัติแล้วสบายเลย มันมีเหมือนกันนะที่เขาบอกปฏิบัติสบายแล้วได้ผลดีมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันหาได้น้อยมากนะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีความทุกข์ยากมาเป็นเครื่องทดสอบนะความเข้มแข็งของเรานะความยากลําบากก็ดีความง่วงเหงาเอานอนก็ดีความฟุ้งซ่านก็ดนะีสิ่งนี้มั น, เ ป, น, เ, ปนเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยเสริมสร้างให้เรามีกําลังใจนะที่เข้มแข็งขึ้น เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามความอดทนในะในการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนะซึ่งหลายคนนะก็สามารถที่จะผ่านได้นะแต่หลายคนอาจจะยังล้มลุกคุกคานก็ไม่เป็นไรนะก็ขอให้เรามีกําลังใจนะในการที่จะก้าวเดินต่อไปพวกเราคงเคยได้ยินเรื่องของพระมหาชนกนะตอนที่ท่านเดินเรือแล้วก็เรือมันล่ม นะแล้วก็ว่ายน้ำอยู่เจวันนะโดยไม่เห็นฟังนะยังไม่รู้เลยว่าฟังมันอยู่ตรงไหนนะแต่ก็ยังว่ายอยูนะ่นางเมฆลาก็หอมาถามว่าท่านจะว่ายไปทำไมท่านไม่เห็นฟังเลยเนะีนะ่ยพระมาชนุ ก, ก็บอกว่าเราก็จะเพียรต่อไปแม่ไม่เห็นฟังแม้ว่าจะตายนะเราก็ยังไม่เสียชื่อว่าเรายังมีความเพียรความพยายามนะที่จะให้มีชีวิตอยู่ต่อไป นะซึ่งสุดท้ายเนี่ยนางเมกะลากอา็อนุมูทนาสาธุนะแล้วก็ช่วยนะพาพระมหชนกนะข้ามทะเลไปนะไปยังเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางได้การมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะการมาเจริญสติเนี่ยบางคนก็ไม่รู้นะเป้าหมายมันจะไปถึงไหนนะแต่เพียงจะได้ยินว่าเออมันนิพพานนิพพานใจเป็นปกติ แต่ขณะที่เราปฏิบัติเราอาจจะยังไม่ไม่ เ, เห็นชัดเจนนะบางทีเราก็เหมือนกับว่าเอ๊ะมันจะได้อะไรนะบางคนก็เลยเกิดความลังเลสงสัยนะเรียกว่าวิจิกิจฉานะตรงนี้มันจะถอนกำลังนะหรือทำให้เราเนี่ยไม่ก้าวเดินต่อไปเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องอาศัยศรัทธานะอาศัยศรัทธามีความเชื่อนะเชื่อว่าจุดหมายปลายทางที่เราจะไปถึงก็คือความสิ้นทุกข์มันมีจริง แม้ว่าเราจะยังไม่ได้สัมผัสมันอย่างเต็มที่ก็ตามให้มีความเชื่อให้มีความศรัทธาก่อนนะเมื่อเราเชื่อเราศรัทธาเราก็จะมีความเพียร น, นะที่จะพยายามนะที่จ ะ, จะเจริญสติอย่างต่อเนื่องนะในกิจวัตรประจำวันและก็ในรูปแบบนะแม้ว่าบางทีอาจจะยังไม่เห็นผลในวันนี้นะหรือเวลานี้ก็ตามนะแล้วก็มีสติ นะที่เราจเจริญแล้วนะมีสมาธิกับใจที่ตั้งมั่นและก็มีปัญญาที่รอบรู้รอบรู้เรื่องกายเรื่องใจกายนะก็คือการเคลื่อนการไหวและก็อาการของกายที่มันแสดงออกมานะหิวกระหายหนาวปวดเมื่อยนะอันนี้เป็นอาการของกายที่มันแสดงออกมานะแล้วก็ความพอใจไม่พอใจจากอาการเหล่านี้ รนะวมถึงจิตที่มันคิดนึกนะไปในเรื่องราวต่างๆนะอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะจะเป็นความสุขความทุกข์ก็ดนะีความโลภความโกรธความหลงก็ดีนะตรงนีนะ้เราก็ต้องทำความรู้สึกตัวนะให้มันเห็นอยู่เรื่อยๆเห็นแล้วเห็นอีกนะเรียกว่าเห็นอยู่เรื่อยๆนะตรงนี้มันจะทำให้สติหรือความรู้สึกตัวเนะี่ยมันกระจ่างชัดเจน นะแจมแจ้งขึ้นนะสิ่งที่เราเคยสงสัยนะว่ามันจะเป็นจริงไหมมันก็จะได้คำตอบออกมาศรัทนะ ธ, ธาก็จะเป็นศรัท ธ, ธาที่ตั้งมัน่นจากเดิมศรัท ธ, ธาที่อาจจะยัง เ, เรียกว่าคลอนแคลนอยูนะ่ยังไม่ตั้งมัน่นเมื่อเราจเจริญสติอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะทำให้ศรัท ธ, ธาเนี่ยตั้งมัน่นะแล้วก็เห็นความจริงของกายของใจนะที่มันจะแปลปวนเปลี่ยนแปลงนะไม่คงที่ ไม่อยู่ในอำนาจของของเราที่เราต้องการให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งตรงนี้ถ้าเราเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกเนี่ยมันจะเกิดการเบื่อหน่ายมันจะเกิดการปล่อยวางไปเองซึ่งตรงนี้มันจะเป็นเกิดสิ่งที่ว่าเป็นไปเองนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไปคิดเป็นนึกไปคาดกันเองให้มันเป็นไปซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยการกระทําที่ต่อเนื่องนั่นเอง มีความเพียรความพยายามความอดท น, นต่อความยากลำบากนะซึ่งตรงนี้เนี่ยระยะ 4-5 หวันที่พวกเราได้ปฏิบัติเราคงจะเห็นแล้วนะมันมีทั้งความหนักความเบานะของกายของใจนะที่มันแสดงปรากฏออกมานะบางคนเดินได้สามชั่วโมงนะตัวเบานะบางคนบอกเดินได้ชั่วโมงหนึ่งนะหนักบ้างเบาบ้างนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะที่เราจะต้องรับรู้เรียนรู้มันนะตรงนี้เป็นสิ่งที่แสดงปรากฏนะซึ่งตรงนี้ถ้าเราเข้าไปายึดถือเป็นตัวเป็น ต, น, ตนของเรามันก็จะหนักละแต่ถ้าเราปล่อยละวางเราก็จะเบานะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มันจะบอกทิศบอกทางให้เราเพลังการเจริญสติเนี่ยถือว่าเป็นประสบะการณ์นะหนักบ้างเบาบ้างไม่เป็นไรนะแล้วเราค่อยปรับเนื้อปรับตัวบางทีอาการหนัก เราไม่รู้ตัวนะเราเพง่งเราจ้องเราตั้งใจมากเกินไปนะเราก็ผ่อนลงมาหน่อยนะให้มันเบาๆสบายสบา ย, บายขึ้นนะถ้าสบายสบายแล้วมันเผลอมันเพลินแล้วก็ตึงๆนะเพง่งๆลงไปนิดนึงนะเรียกว่าเพง่เพ ง, เพงๆเผลอๆเนี่ยนะเดี๋ยวมันมันจะมีตรงกลางมันมันพอดีพอดีนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นประสบาการณ์ที่จะต้องสัมผัส ด, ด้วยตัวเองนะ มืนยังที่บอกว่าสันติิโกธรรมะพึงรู้ได้ด้วยตนเองเราไม่สามารถที่จะจาคําพูดคนนูนน้นคนนี้ให้มาเป็นภาวะได้นาะนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องลงมือทําเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังก็จะต้องมาไปกระทากระทําแล้วมันเกิดผลขึ้นมาอย่างไรก็รับรู้นะแล้วก็แก้ไขปรับปรุงนะให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะซึ่งเป้าหมายในเบื้องต้นเนี่ย นะก็คือการที่เรามารู้กายเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นใจคิดนึกนะแล้วก็จะเห็นอารมณ์ที่ห ย, ยาบยาแล้วก็ละเอียดขึ้นเรื่อยๆ ร, นะรวมถึงความคิดต่างๆนะ น, นี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ที่มีความเพียรความพยายามและก็ทำให้ถูกต้องตรงอย่างต่อเนื่องนะย่อมที่จะได้รับผลนะสมควรแก่การประพฤติธปฏิบัตนะินี่ก็เป็นเรื่องที่ นำมาเล่าสู่กันฟังนะในเย็นวันนีนะ้ก็ต้องขออนุโมทนานะกับพวกเราทุกคนนะที่ได้มาร่วมกันใช้ชีวิตนะที่วัดป่าสุกโตนะพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับความยากลำบากทั้งหลายนะด้วยความศรัทธาด้วยความเพียรพยายามนะมีสตนะิมีสมาธิและมีปัญญาพร้อมนะก็ขอให้ผลของการปฏิบัติ นะได้ประสบพบนะกับความเป็นปกติของใจนะซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของจิตใจนะที่มีอยู่แล้วในพวกเราทุกคนนะเพื่อให้เราได้มีชีวิตนะที่มีสุขเกษมสารในเรววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร